บทภาชนีติกาปาจิตตีสามร้อย ห, หไม่เป็นไข่ภิกษุสําคัญว่าไม่เป็นไข่ต้องการพิงไฟกอ่อหรือแช่ให้ก่อไฟต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นไม่เป็นไข่ภิกษุไม่แน่ใจต้องการพิงไฟกอ่อหรือแช่ให้ก่อไฟต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้น ไม่เป็นไข่พิกษุสํสำคัญว่าเป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัตรปลาจิตติเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นติกะทุกกฎพิกษุเก็บดุนไฟที่ตกเข้าที่เดิมต้องอาบัตรทุกกฎเป็นไข้พิกษุสํสำคัญว่าไม่เป็นไข้ต้องอาบัตทุกกฎเป็นไข่พิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตรทุกกเป็นไข้พิกษุสําคัญว่าเป็นไข้ไม่ต้องอบัต